50 languages. t h e s e การเรียนภาษาต่างชาติ Germanic languages. You l e a r Spanish f r i คุณพูดภาษาโปรตุเกสได้ด้วยไหมคะค่ะขी भ ค आती ่ะค่ะและดิฉันก็พูดภาษาอิตาเลียนได้ด้วยค่ะจी ह านैं่ทุ ड ีบ ब ह ुอิตาเลียนบีบูุดตาห์ดิฉันคิดว่าคุณพูดได้ดีมากมु झ ेลก त ाาै आप बहुत พ च ् छ า ब ोอ त े हैं ี ภาษาค่อนข้า ง, งคล้ายกันมากยี่ภาษาเนี่ยเอกेูอื่นๆเซ่หมิจุลดิฉันเข้าใจภาษามันได้ดี मैं อินโคอัจฉิตระห์สมัจเลตแต่การพูดและการเขียนมันยาก ले กินบอลงและลิขณามุชกิลเฮ่ดิฉันยังพูดและเขียนผิดอีกมาก म มं अभी भी बहुत ग ल อि य ांล र त ा ह ू่ทุกครั้งโปรดช่วยแก้ให้ดิฉันด้วยนะคะอย่าลืมให้คำแนะนำเสมอการออกเสียงของคุณดีมากท่าทางข ह งคุณดีมากคุณมีสำเนียงนิดหน่อยโทนุณมต คนฟังสามารถรู้ว่าคุณมาจากไหน आदमी को पता चल ज ा त ा है आप क ह ाุ के रहनेवाले हैं ภาษาแม่ของคุณคือภาษาอะไรคะ आप की म ा่ของคุ क्या है? คุณเรียนหลักสูตรภาษาหรือเปล่าคะภาษาแม่ของคุณคือภาษาอะไร คุณใช้นังสือเรียนเล่มไหนคะก ौनसी क ि त ับอิสต์มัล์ก์เกิร์ตอตอนนี้ดิฉันจาชื่อไม่ได้ค่ะม ुझे इस वक्तमाल ุมเนห์อิส์ค่ะคีย์ดิฉันนึกชื่อนังสือไม่ออกค่ะม ुझे इसका उनवा านยัตเนห์อิยดิฉันลืมไปแล้วค่ะ ฉันผิดหวัง